เรา 2 นี้หมายสั้นๆเป็นหลักสําหรับอ่าคําดลจดว่าสโลแกน จม เพชรเป็นอัญรูปของธาตุคือเป็นรูปหนึ่งในในทางเครื่องแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย เรามาพิจารณาดูนะครับว่าเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดในโลกนี้ครับเกิดขึ้น ตอนผู้เด็กเนี่ยผู้คนแก่ชอบบ่อบวมไว้ เดินนะครับๆสารส้มแต่นายตัดหน้านี้ผู้ ถูกควบขึ้นมานะฮะนั่นก็คือตัวนายธรรมดาธรรมดาเท่า นั่นมันมีหมายคือนายช่างมามาเติมไอ้ไอ้ความพูดชนิด ดีไม่ไม่ใช่ดีไก่ดีมีนะ Black Star ถ้าไปเจอในแบบอื่น สัมพันธ์มากกับบรรยากาศและดวงอาทิตย์ดวงดาวหินชิ้นทองทอง หมากไม้ครับหินสีเหล่านี้ตะวะมันขึ้นกว่ามนุษย์หรือนายช่างเนี่ยครับเข้าๆผู้ไม่ใช่นายช่าง เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหินดาดๆนั้นน่ะที่จริงข้างในมันเป็นเพชรที ธรรมชาติดําเนินมานานนะครับนอนมากมันดําเนินมาเอง กิจยุติมีเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ผมคือโลกที่ที่สังเกตคือเอิร์ธคือดาวนบครอบดวงนี้ ระเบิดใหญ่เคยได้ยินมั้ยครับคือคือสันนิษฐานในห้วงอวกาศ <c oughs> <c oughs> ช่องว่างนั่นเองครับนี่ช่องว่างที่ ไอ้ปลาตัวหนึ่งมาถามปลาตัวหนึ่งว่าคุณ Big Bang หรือกัน <c oughs> Thermal Nuclear การระเบิดคลั่งคลั่งเมื่อ ของของไอ้ที่ที่ก่อกําเนิดเป็นเป็นเอกภพขึ้นก่อนครับแล้วมันก็รวมตัวกันขึ้นด้วยแล้วก็ หนีจากศูนย์กลางศูนย์กลาง 1 ก็จับทิศทางนั้นได้ทฤษฎีนี้น่าเชื่อๆทางแต่ เพียงเล็กน้อยครับไม่รู้ก็ได้มันไม่สําคัญอะไรเราที่วามนุษย์เนี่ย ชื่อทางอินเดียเรียกดาวราหูโลกเรานี่เค้าเรียกดาวราหูนะ พอลองบรรยากาศเริ่มถูกปรับตัวก่อนนุ่ม ทำใจดีมากคล้ายๆ ก็ประมาณไปไปวัดไปมันจะต้องรู้สึกได้ครับว่ามันคล่องกายคล่อง ตักทิ้งทั้งน้ําทั้งดินวิทธิ์หรือวิทน้ําอ่ะศาสตร์ศาสตร์ไม่ต้องไม่ต้องยั้งๆกับพบตา ผมน้อมตระหนักคุณคุณความรู้สึกของเรายังขัดๆ ไม่มีอะไรที่ใสมากกว่าใจนะครับและ เป็นดวงเดียวท่องเที่ยวไป คือคือมันจะตามหรือทุกเราไม่ได้จะตามจับเราไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นๆเนี่ยยิ่งเก็บใจไว้ คันคันรานขึ้นมีพรๆเงินนะฮะคล้ายๆเงินใช้ทองเนี่ยมันใช้จ่าย จิตใจนั้นยิ่งใช้มากยิ่งอ่อนแอแต่จิตใจๆจะเข้มแข็งขึ้นฉะนั้นเก็บใจ มันคือใจมันอยู่กับตัวใจมันหรือไร่นาหรือหรือแม้แต่ฝันหรือคู่รัก เดี๋ยวเราไปดู เออดีผมไม่ด่าใครกันตะกี้ๆเกิด <c oughs> แต่สมมุติไม่ใช่